พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญยูรู้เห็นสารพัดหรือราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการถามว่าพันเตนาคเสนฆ่าแต่พระนากเสศน์ผู้เป็นเจ้าพุทโธอันว่าสมเด็จพระพุทธเจ้านี้สัพพัญยูเป็นสัพพัญยูสัพพสทศวีมีปกติสารพัดจะเห็นสิ้นหรือประการใด พระนาคเสนเถระเมื่อจะแก้ไขจิงถวายพระพรว่าอามะมหาราชะขอถวายพระพรจิงอยู่สมเด็จพระสัพพันยูนี้สารพัด ร, รู้ซึ่งวิสัยโลกุตระและโลกีสัพพะทศวีสารพัดที่เห็นไปสิน้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโ์การถามว่าพันเตนาคเสนะ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 รู้สารพัดไปกรณีหรือพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าอามะพันเตเออกระนั้นแหละสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงถามอีกเล่าว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้เป็นมหิสาธิบดีเมื่อหมอทั้งหลายนี้รู้ยาแล้วจ้ไห น, นจึงมิประกอบยาไข้ให้กินเสีย